วันนี้ก็เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์ 2,561 เป็นการบรรยายที่ย่อคืย์02ค่ะก็จะเป็นการตอบคาถามนะคำามเยอะค่ะคำถามเกี่ยวกับการเดินจงกร ม, มนั่งสมาธิค่ะขอกลับเรียนถามท่านอาจารย์ขณะที่นั่งสมาธิสังเกตเห็นว่ากายร้อนขึ้นเป็นลำดับ และมีเหงื่อไหลซึมๆตามผิวหนังสีษะพิจารณาว่าเป็นธาตุไฟกำลังทํางานโดยรับความร้อนออกมาเป็นน้าเป็นน้าเหงือ่อซึ่งเป็นธาตุน้ําพิจารณาเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่คะหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องขอคําแนะนําด้วยคะ่ะคือถ้าจะดูโดยความเป็นธาตุดินน้ําไฟลมที่เข้ามาประกอบหรือว่าเป็นปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ก็เห็นว่าก่อนหน้านี้มันก็อาจจะอยู่ปกติแล้วเดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นก็มีมืธาตุไฟเปลี่ยนแปลงธาตุน้ําก็เปลี่ยนแปลงมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนั่นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็อาจจะสงบลงแล้วมันก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นก็ดินน้ําไฟลมก็ไม่เคยเสถียรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แหละก็พิจารณาไปมันไม่ใช่เป็นเราอะไร หลักๆ ก, ก็คืออย่างนั้นพิจารณาเข้าไปเมื่อจิตตั้งมั่นก็พิจารณาลงไปพิจารณาลงไปครับสวัสดีอาจารย์ประเสริฐค่ะหนึ่งถ้านั่งสมาธิโดยเอาลมหายใจเป็นหลักและเห็นแสงสีควรทำอย่างไรคะหนึ่งมาดูที่ลมหายใจหรือสองกำหนดแสงว่ามืดหรือสว่าง กำหนดสีว่าเป็นสีแดงสีม่วงเป็นต้นทั้งสองข้อที่กล่าวมามีข้อแตกต่างกันอย่างไรคะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรกับพวกแสงสีอะไรทั้งหลายแหล่นี่หรอกนะคือมันไม่ใช่สาระอะไรเลยนะพวกแสงนิมิตอะไรพวกนี้นะมันไม่ใช่ท่านมองไปที่นิออนเนี่ยท่านหลับตาแนละ้วมันแสงปุบพับเต็มไปหมดนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะ คือเอาเป็นว่ามองข้ามไปเถอะเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นมไม่ใช่แบบนั้นด้วยก็คือเรามานั่งสมาธิเนี่ยให้จิตตั้งมัน่นเพื่อจะพิจารณาเข้ามาที่กายกับใจแสงเสรเิมอะไรพวกนั้นมันแค่การทํางานของลูกตาเกิดเป็นนิมิต ท, ท่านนั่นเองถ้าจะพิจารณาให้พอได้ ถ้าอยากจะพิจารณาจริงๆก็ให้เห็นแค่ของเกิดดับนะเอาแค่นั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไรแต่ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเลยข้ามไปเลยอยู่กับลมหายใจให้จิตตั้งมั่นแล้วก็เข้าไปเห็นความจริงนะไม่ว่าจะเวทนาหรือไม่ว่าจะกายหรือเสียงที่กระทบหรือใจที่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนั้นดีกว่านะขนาดนั่งสมาธิมีความคิดเกิดขึ้นแต่ยังรู้ลมหายใจอยู่ นั่นคือจิตตั้งมั่นหรือเปล่าคะเพราะที่สังเกตถ้าการรู้ลมหายใจหายไปจิตก็มักจะไหลไปกับความคิดแล้วค่ะแต่ทำทิศขณะนั่งสมาธิมีความคิดเกิดขึ้นแต่ยังรู้ลมหายใจอยู่นั่นคือจิตตั้งมั่นหรือเปล่าคะเพราะที่สังเกตถ้ารู้ลมหายใจถ้าการรู้ลมหายใจหายไปใจก็มักจะไหลไปกับความคิดแล้ว คือขณะที่ความคิดเกิดขึ้นถ้าบอกว่าลู่ลมหายใจอยู่นะคือจริงที่มันคนละขนากันนะแต่มันอาจจะเป็นขนาที่อย่างเนี้ยเวลาที่ท่านกำลังนั่งฟังผมเนี่ยท่านมองหน้าผมเนี่ยจริงๆท่านไม่ได้เห็นผมกับตอนที่นั่งฟังพร้อมกันหรอกมันคนละขณะกันแต่ความที่มันเกิดดับเร็วมากเนี่ยจิตเกิดดับเร็วมาก การเข้าไปรับรู้ตามฐานต่างๆเนี่ยมันกลับไปกลับมาเร็วท่านก็เลยนึกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกันการที่ท่านมองเห็นกับการที่ท่านได้ยินเนี่ยมันพร้อมกันจริงๆมันได้ไม่พร้อมกันมันคนละขณะกันคนละทีอย่างเช่นถ้าจะให้เห็นชัดเนี่ยสมมุติว่าเรากําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ ขณะที่เรากําลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เนี่ยสมมุติว่ามีคนเปิดเพลงหรือว่าท่านได้ยินข่าวด่วนตาก็กําลังอ่านหนังสือได้ยินข่าวด่วนข่าวด่วนขณะนี้ไฟไหม้มันเป็นเอ๊บริเวณใกล้ๆบ้านท่านตาท่านก็ยังอ่านแต่หูท่านก็ฟังแต่ตอนนั้นอะพอหลังจากฟังเสร็จท่านจะรู้เลยว่าที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะให้มันทํางานได้ทีละขณะ จิตรับรู้ได้ทีละขณะเพราะฉะนั้นที่บอกเขาทางานพร้อมกันไม่มีหรอกมนทํางานได้ทีละขณะในแต่ละฐานเนะี่ยถ้ากําลังอยู่ที่เกิดภัสสาะทางตาเนี่ยวิญญาณก็เกิดภัสสาะทางตามก็ไปอยู่ที่ที่จักษุวิญญาณนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าขณะที่รู้ลมด้วยคิดด้วยเนี่ยมันไม่มีหรอกมันคนละขณะ ก็คือถ้ขาขณะที่คิดไปมันก็หลงไปแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาผมก็บอกแล้วว่าเรามาฝึกเนี่ยเรามาฝึกว่าคือจิตตั้งมั่นจะคิดก็คิดไปนะแต่ผมไม่ได้บอกให้รู้พร้อมกันคือจะคิดก็คิดไปแต่จิตใจของเราก็ยังสงบคือไม่ไหลเข้าไปไม่หลงเข้าไปในเนเรื่องที่คิดเท่านั้นเองนะปัญหาไม่ได้อยู่ตรงที่ต้องไปรู้พร้อมกันไม่ได้เกี่ยวกับรู้พร้อมกันเห็นแต่ว่าจะคิดออยากคิดก็คิดอย่ไม่ได้มบาบังคับให้มันหยุด แต่ว่าเราก็สงบของเราก็เรื่อ ง, องมีแค่นั้นนะส่วนที่บอกว่าทุกครั้งที่บอกว่าเผลอคิดแล้วก็จะลืลมลมไปก็ใช่ก็พอมันหลุดเข้าไปในอความคิดลมหายใจมันก็หายไปพอกลับมาอยู่ที่ลมความคิดก็ดับไปมันก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้อนอกจากว่าความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งลมหายใจดับไป แต่ไม่ได้เผอไปคิดก็ยังสงบอยู่แต่ลมหายใจดูเหมือนจะแผ่วลงไปแผ่วลงไปจนกระทั่งหายไปนะก็ไม่ต้องตกใจนะก็อย่าไปตกใจรีบหายใจหรือว่าพยายามสูดลมหายใจนึกว่ามันหายไปไหนก็ไม่ต้องไปตกใจนะก็จิตตั้งมั่นอยู่นะจิตตั้งมั่นอยู่สงบอยู่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับลมจะมีลมจะไม่มีใครจะมาใครจะไปอะไรเรื่องของเขาสงบั้งมั่นอย่าไปทาอะไรเพิ่มขึ้น การเข้าถึงสมาธิที่แท้จริงคืออะไรจะมีสภาพและความรู้สึกอย่างไรบ้างตัวผมนั่งสมาธิจนเงียบนานแต่ไม่ทราบว่าถึงสมาธิหรือยังครับเอาอย่างนี้นะวิธีสังเกตเนี่ยในเบื้องต้นก็คือปฐมฌานเนี่ยมีวิตกวิจารณ์คำว่าวิตกวิจารเนี่ยติดก็ยังคำใคร่ควรอยู่กับลมหายใจก็ดีตรีตรองอยู่กับลมหายใจก็ดี อาจจะมีเสียงพูดเสียงภาคอยู่บ้างเด็กๆน้อยๆตรงนั้นไม่มีปัญหาสำหรับปฐมฌานพอเข้าสู่ทุติยฌานคือฌานที่สองเนี่ยวิตตกวิจารณ์ดับลงก็ค่อยๆงสงบแล้วว่างเงียบพอเข้าสู่ฌานที่สามก็เหลือแต่ความสุขพอเข้าถึงฌานที่สี่ก็จิตก็ตั้งเป็นอุเบกขามีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ตามที่พระเจ้าตรัส ส่วนอรูปฌานห้าหกเจ็ดแปดอะไรก็ว่ากันไปก็จะก่อเกิดอาการต่างๆให้เราได้พอสัมผัสหรือว่าพอจะรู้ได้ว่าแต่ไม่ได้มีสิ่งที่เราจะต้องไปทำอะไรให้เกิดถ้าเขาจะเกิดเขาก็เกิดตามเหตุปัจจัยท่านก็หน้าที่เราก็นั่งไปถ้าสงบเรียบดีแล้วไม่มีนิวรณ์ไม่มีความคิด ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละสมัยก่อนตอนที่ผมเข้ามาปฏิบัติก็เหมือนกันผมก็เคยสงสัยนั่ง น, งนงเอยเงียบสงบแล้วเราต้องทำอะไรต่อทุกคนชอบถามคเนี้คือแล้วเราต้องทำอะไรต่อแล้วเราต้องทำอะไรอีกคือผมให้คีย์เวิร์ดไว้คำหนึ่งตอนนี้เกิดก่อน <c oughs> เนอะก็รักันว่าศึกษาอย่างที่เขาเป็น คำเดียวพอศึกษาอย่างที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาทำอะไรให้เขาเป็นอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรอีกมันไม่มีอะไรต้องทาอะไรอีกเขาจะเป็นยังไงก็ศึกษาอย่างที่เขาเป็น <c oughs> หน้าที่มันมีแค่นี้ที่เราต้องทำยังไงแล้วตอนนี้ก็สงบตรงทีแล้วต้องทาอะไรอีกมันกลายเป็นกระสับกระส่ายอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิแล้ว มันมีแต่ตันหาผลักดันต้องทําอะไรต่อต้องทําอะไรอีกแล้วยังไงต่อแล้วมันจะเป็นยังไงตันหามันดันไม่หยุดคําถามมันมันผุดขึ้นมาไม่ได้เลิกทําไมที่ผมสงสัยผมก็เคยไปเปิดเปิดหนังสือแล้วก็ไปอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติอยู่หนังสือเล่มนั้นเขียนผมจําคําได้ไม่หมดแต่ว่าโดยประมาณก็คือว่า เหมือนคนเอากาน้ำตั้งบนเตาไฟเอากาน้าตั้งบนเตาไฟแล้วก็นั่งดูกาน้ำตั้งบนเตาไฟกาน้ำจะเดือดก็ไม่เกี่ยวกับคนนั่งดูคนดูอยากจะให้เดือดก็ไม่ได้เกี่ยวกับกาน้ำเยนคนดูกับกาน้ำที่ตั้งบนเตาไฟ เป็นอิสระจากกัร น, นะเวลาปฏิบัติให้ได้อย่างนี้นะผู้สังเกตก็สังเกตไปเหมือนการน้ําตั้งเบิ้ลตอกไฟ้าจะเดือดก็เดือดไม่เดือดก็ไม่เดือดต่อให้อยากให้เดือดก็ไม่เกี่ยวกับการน้ําเพราะฉะนั้นให้มันเป็นอิสระจากกันตั้งมั่นอย่าอย า, อ ย, าอย่าออกจากที่ที่มัน่นคําถามทั้งหลายนะตอนนั้นหลุดออกจากที่มั่นหมดแล้ว ตั้งมั่นอยู่เขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะมาก็จะไปก็จะหยุดเขาจะเรื่องเขาตั้งมั่นกราบอาจารย์ประเสริฐค่ะคําถามคือทาถูกหรือไม่คะจิตสงบคือรู้สึกที่ใจตลอดเวลาที่นั่งเดินนอนโดยสามารถรักษาใจให้สงบสร้างความสุขให้เกิดกับใจประคองใจไว้ตลอดเวลาภายในวงเล็บยาก ขณะรู้สึกกับสิ่งภายนอกที่มากระทบต้องรีบรู้สึกที่ใจและยังต้องปรองจิตไว้ก่อนให้สงบบางครั้งรู้สึกทันทีว่าจิตก็ไม่สงบไม่นิ่งค่ะการทำเช่นนี้คือเราสามารถควบคุมจิตใช่ไหมคะจริงๆก็เป็นวิธีฝึกที่ถูกแล้วนะแต่ถ้าวันนี้คำถามนี้ไปถามที่อื่นเนี่ย ก็จะบอกว่าคุณไปบังคับจิตในอาณาปานสติเก้าขั้นแรกมีแต่การบังคับจิตการบังคับจิตคือการฝึกอบรมจิตให้จิตรู้ว่าจะต้องอยู่ยังไงสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยพระเจ้าเคยอุปมาเอาไว้นะในพระสูตรที่กำลังทาอยู่เนี่ยพระองค์บอกว่ามันเปรียบเสมือนกับบุรุษ เ, เอาหม้อน้าหม้อน้ำมันที่เดือด แล้วก็คือให้รักษาจิตเหมือนกับบุรุษถือเอไม่ใช่มอน้ำมันที่เดือดถือหม้อน้ำที่น้ำเต็มแล้วก็เดินผ่านหมู่นางงามที่แต่งตัวว่าบหวามกําลังฟ้อนรำถ้าน้ำกระชอกหกคนที่ถือดาบข้างหลังจะตัดหัวทันที นั่นคือการที่ฝึกแล้วก็ประคองจิตให้อยู่คือแวบไม่ได้พูดง่ายๆถ้าแวบแค่มองหันไปมองเนี่ยผู้ชายคนไหนก็อยากจะมองผู้หญิงผู้เจ้าอุกมาไว้อย่างนี้เลยเหมือนถือหม้อน้ำประคองที่น้ำเต็มเปี่ยมผ่านเหล่าหมูนางสนมที่กำลังฟ้อนลำกันอย่างงดงามสาวสวย ใจแวบเมื่อไหร่ตัดหัวทิ้งเลยถ้าน้ำกระชอนี่แหละคำถามที่ท่านถามอะ่ะอย่างนั้นเลยทำไปเถอะมีสามคำถามค่ะจิตตั้งมั่นต่างจากจิตนิ่งในสมาะอย่างไรคะจิตตั้งมั่นเป็นจิตที่พร้อมจะทำงานนะภาษาธรรมะเรียกว่ากรรมนิโย เป็นจิต ท, ที่คู่ควรต่อการงานจะเป็นจิต ท, ที่ว่องไวแต่จิต ท, ที่ไม่ได้พร้อมจะทำงานอย่างเช่นการจมแช่อยู่เนี่ยในสมถกรรมฐานก็อาจจะเป็นจิต ท, ที่ต้องการพักผ่อนไม่ได้พร้อมจะทำงานคือจิต ท, ที่กาลังแช่อ ย, อยู่นิ่งๆอันนี้ไม่พร้อมจะออกไปเจริญวิปัสสนาความต่างก็อยู่ตรงนี้ เพียะจิตตั้งมั่นที่เวลาเราฝึกแล้วเราอะไรจะเกิดก็เกิดไปจิตจะพร้อมจะทำงานแต่ถ้าปล่อยให้มันดิ่งดิ่งดิ่งลมไปแช่สงบใครมาดําเสียงได้ยินก็บูดหมิดลำคาญอะไรเงี้ยจิตไม่พร้อมจะทำงานแช่แล้วการสังเกตฐานทั้งสี่กับการดูจิตเหมือนกันหรือเปล่าคะ สังเกตฐานทั้งสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะดูจิตคือคําว่าดูจิตก็คือคือกายเวทนาจิตธรรมอ่ะนะถ้าท่านจะใช้คําว่าดูจิตก็อยู่ในฐานที่สามหมดก็เท่านั้นเองไม่ได้ดูเวทนานี่ดูจิตแล้วดูจิตดูยังไงถ้าถ้าผมย้อนถามเนี่ดูท่านดูยังไงดูจิต ท่านจะตอบไม่ถูกนะถ้าจิตไม่ได้มีตัวตนเวลาดูจิตเนี่ยคนที่เขาดูจิตผมไม่รู้ว่าท่านจะหมายถึงอะไรนะถ้าคําว่าดูจิตแบบที่เขากำลังพูดกันเนี่ยหรือว่ากำลังเอามาฝึกดูจิตดูจิตกันเนี่ยเวลาโกรธเกิดขึ้นให้เขาไปรู้โกรธเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวิธีดูจิตผมบอกความโกรธเป็นจิตเหร ทุกเกิดขึ้นให้เข้าไปรู้ทุกความทุกเป็นจิตเหรอที่บอกว่าดูจิตเนี่ยมันไปนั่งดูแต่อาการของจิตแล้วก็ไม่ได้จะเห็นจิตด้วยแถมยังเอาใครไปดูถ า, ถามว่าเอาใครไปดูท่านก็ยังตอบผมไม่ได้หรอกนอกจากท่านต้องเข้าไปปฏิบัติลึกจริงๆนะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวจะสับสนพวกที่บอกว่าดูจิตไม่ได้ดูจริงไม่ได้ดูจริงแล้วแถมเปะไปด้วยพู้เจ้าตรัสไว้ในจิตตานุปสนาสติปัฏฐานเนี่ย ดูจิตนะต้องดูอย่างที่พูดเจ้าบอกไม่มีเกินนี้เกินนี้ไม่ใช่ดูจิตดูจิตมีแค่นี้มีสิบหกอาการมีสิบหกอย่างจิตมีราคาจิตไม่มีราคาจะเป็นคู่หมดนะทั้งหมดมีแปดคู่คู่ที่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่นะคนทั่วไปเห็นไม่ครบแปดคู่นี้ไม่เห็นแน่แน่คู่นี้ไม่เห็ น, <c oughs> น, ค, น, หนคู่นี้จะเห็นถ้าเคย เข้าฌานนอกนั้นพอเห็นได้พทธเจ้าให้จับคู่ในการดูเนื่องจากว่าอย่างเช่นจิตมีโทรศัพท์สมมุติว่าเรากำลังทะเลาะ ก, กับใครกำลังโกรธสมมติว่าคุยโทรศัพท์กำลังโกรธเลยนึกจะปฏิบัติขึ้นมาพอดีตอนนั้นพอวางหูครับเห็นร เข้ามาดูจิตโกรธเนี่ยเราทรู้ลมแล้วไม่เห็นมันดับเลยนะอย่างนี้ไม่เรียกรู้จิตแล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นว่าจิตมีโทสะด้วยเรากำลังโกรธกับจิตมีโทสะคนละเรื่องเลยนะหนังคนละม้วนเลยนะรู้เอาไว้ด้วยคนที่จะเห็นว่าจิตมีโทสะจิตต้องตั้งมั่นนะจิตต้องตั้งมั่นนะ ถึงจะเห็นว่าจิตมีโทสะแล้วก็จิตไม่มีโทสะแต่ถ้ากาลังโกรธกับใครแล้วเข้าไปรู้เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยโดนลากถูรูดถูกลางไปเลยนะถูรูดถูกลางไปเลยความตั้งมั่นก็ไม่มีกลายเป็นเราเข้าไปรู้เนี่ยใครรู้เรามีที่ไหนเพราะฉะนั้นไม่ได้เห็นว่าจิตมีโทสะเลยเราโดขึ้นมาก่อนเลยเรา นะเข้าไปรู้คือพังตั้งแต่ต้นแล้วพงังตั้งแตต้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่เรียกดูจิตพระเจ้าไม่เคยบอกให้ให้เข้าไปเจริญอกุศลแบบนี้ขณะอกุศลกําลังเกิดสิ่งที่ทควรทําควรละอกุศลไม่ใช่เจริญอกุศลไอ้ไม่ใช่เข้าไปเจริญอกุศล การรู้ลมหายใจก็ไม่ได้รู้เพื่อให้โกรธดับเพื่อจะลนกุศลเข้าไปแทรกก่อนในขณะที่ยังทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเห็นว่าเออโทสะเองก็เป็นแค่ของเกิดเกิดดับดับเดี๋ยวมันก็ดับในที่สุดจะเย็นเย็นไม่ได้ไปคาดหวังอะไรไม่ใช่รู้ลมให้โกรธดับถ้ายังก็ตันหาก็ดันต่อก็าไปปฏิบัติแบบนี้ก็ปฏิบัติยิ่งปฏิบัติก็ยิ่ ง, ป ง, ปงไปไปเป๋ไปกันใหญ่ ออกไปนอกทางแล้วยิ่งไปก่อตัวตนถ้าไม่รู้แล้วยังไม่ดับโอ้โหเลิกกันเลยเท่านั้นตัวปดเต็มไปหมดไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้ววิชาริฏฐิลากซ้ํำก็อีกรอบหนึ่งไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าดูจิตนี่สิบหกอาการเนี่ยขณะที่จิตทรงฌานเนี่ยขณะที่กำลังนั่งสมาธิไปเกิดแว๊บขึ้นมาโทรศัพ์เข้ามาแวบขึ้นมาเอออย่างเนี้ย เห็นแล้ว่าจิตมีโทสะขณะที่นั่งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สลายไปเห็นแล้วจิตไม่มีโทสะนี่เขายิ่งชั่วหน่อยนั่งนั่งอยู่ดีๆแวบขึ้นมานึกถึง3 in อินวันที่เคาเตอร์ขึ้นมาป๊บเห็นแล้วจิตมีโลภเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งตอบไป พ อ, อมันสงบแวบ ก, กับจิตไม่มีโลภะถ้าอย่างเนี้ยมันจะเห็นเองว่าเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจิตค่อยๆมั่นใจขึ้นค่อยๆมั่นใจขึ้นจะเกิดความมั่นใจขึ้นว่าสรรพสิ่งล้วนเกิดดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะเริ่มปล่อยความยึดถือไม่ค่อยกลัวแล้วอ่มันเกิดคเกิดเกิดจิตเดี๋ยวมาเด้วก็ไปเดีวไปเด้๋ยวก็มากันอยู่อย่างเนี้ยนะ จนกระทั่งมันก็เริ่มสงบสมงบสงบสมงบสมง บ, มบถ้าอย่างงี้ค่อยเรียกจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะหน่อยนะส่วนข้ออื่นๆฟุ้งซ่านตั้งมั่นอะไรก็ก็ว่ากันไปนะเอาละเนี่ยคือจิตตานุปาราสนารสิ ป, ประฐานข้อที่สามค่ะจิตไม่ถึงฐานเป็นอย่างไรคะจิตไม่ถึงฐานก็คือมันฟุงฟ้งๆแตกกระจายออกไปนะนั่งเบอะๆฟุงฟ้งๆไม่ค่อยเห็นอะไรก่อไม่ค่ชัดนะถ้าเป็น ก็่นนี้นี่จิตไม่ถึงทานมันฟุงฟ้งๆไปเรื่อยแต่ถ้ามันเริ่มมันก็จะแบบมีกำลังขึ้นมาอย่างี้มีกำลังขึ้นมาเมันมีแว่นขยายเอามาส่องเอามาใช้งานได้มันก็จะเริ่มมองอะไรก็จะใสขึ้นก็เปรียบเสมือนกับน้ำขุ่น น้ำมันขุนี่ยเวลาจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานเนี่ยน้ำมจะขุนๆมีปลาว่าวอ่ะรู้นะว่าในน้ำมีปลามองอแต่มองไม่เห็นตัวสักตัวอุบัติอุบัติอยู่เนี่ยน่ะแต่พอเริ่มตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นเนี่ยก็คิดก็เปรียบเสมือนว่าน้ำค่อยๆจะขุนๆๆเป็นใสๆๆจนใสปิ้งเลยเน่ยเข้าสู่ชานที่สูงขึ้นสูงขึ้นน้ำใสปิ้ง เห็นทุกอย่างแม้แต่ลูกน้ํายวิบมันก็เห็นละนะเพราะน้สมาธิก็จะทำให้เห็นทุกอย่างชัดขึ้นชัดขึ้นกราบขอโอกาสเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไรซึ่งเป็นคำถามพื้นฐานที่สุดแต่ก็ทำผิดกันมากที่สุดเพราะบางคนก็ติดเพ่งจนตัวเกรงเมื่อออกจากสมาธิ บางคนก็เผอจนล่องลอยบ้างก็ติดนิมิตจนวุ่นวายมันก็รวมกันไวก่อนเดินกัน น, กนักมีสามคำถามค่ะเวลานั่งเหมือนอาม่าเห็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปขอให้อาจารย์เปรียบเวลาเดินจงกรมควรต้องทำอย่างไรเพราะสติมักจดจ่ออยู่กับการเดินบางครั้งก็ไปคิดเช่นกัน ข้อ 2. การเข้าไปยึดในขันห้าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าใช้วิธีช่วยคิดว่าขันห้าเป็นรูปไม่เที่ยงอยู่เนืองๆจะเป็นการเข้าไปปรุงหรือไม่อย่างไรถูกหรือผิดข้อสามขณะนั่งสมาธิบางครั้งเกิดการพิจารณาธรรมขึ้นมาเราควรแค่รู้แล้วปล่อยเรื่องพิจารณาไม่ควรเข้าไปในเนื้อเรื่องธรรมนั้นๆหรืออย่างไรให้กลับมาที่ลมหายใจเลยหรือพิจารณาเรื่องธรรมนั้นต่อไป เช่นคิดถึงคำพูดของอาจารย์ว่าเราเข้าไปยึดและดองเรื่องต่างๆที่เราเข้าไปยึดควรทำอย่างไรซึ่งของเวลานั่งแล้วก็มีข้อธรรมดังขึ้นมาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแะนะถ้าในขณะนั้นเนี่ย เ, เรามองว่าการมานั่งพิจารณาเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ความฟุ้งซ่านเอา เราก็วางข้อธรรมนั้นลงไว้ก่อนก็กลับมาอยู่กับลมหายใจนั่งสมาธิไปคือเรื่องของมันจะมีในโพชฌง์เนี่ยมีคำหนึ่งก็คือธรรมวิจยะเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะเกิดธรรมวิจยะก็คือคือเวลาใช้คำพูดเนี่ยอย่างเช่นเราคิดหรือจิตเป็นคนคิดเนี่ยมันทำให้คนปฏิบัติเนี่ย สับสนมากว่ามันแยกกันตรงไหนเราคิดกับจิตคิดเนี่ยจิตคิดขึ้นมาเองหรือเราเป็นคนคิดมันก็เลยงงตรงไหนคือปัญญาตรงไหนคือคือความคิดกันแน่ตรงไหนคือธรรมวิจยะตรงไหนคือนั่งฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นความจริงในเบื้องต้นน่ในเบื้องต้นเนี่ยวางให้พวก ความคิดทั้งหลายเนี่ยออกไปไกลๆก่อนให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆเถอะแล้วมันแยกออกเองทีนี้ขณะที่ทุกอย่างมันยังไม่ชัดเนี่ยมันก็เลยต้องใช้วิธีคิดซ้อนคิดเข้าไปอีกมันต้องมานั่งคิดว่าไอ้คิดนี่มันเป็นอะไรเพราะคิดซ้อนคิดมันจะยิ่งยุ่งกันใหญ่ฉะนั้นทําอะไรให้มันสงบสงบไปก่อนเมื่อมันสงบแล้วมันเข้าใจของมันไปข้างหน้าน่ะมันจะเข้าใจกันเองไม่อย่างนั้น มันก็จะนั่งคิดเอาไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆว่าเมื่อถึงวันนั้นเมื่อถึงวันนี้เราก็เลยไม่ถึงสักทีคือเดินไปให้มันถึงสป้ายหนึ่งก่อนแล้วก็ไปป้ายที่สองต่อไปป้ายที่สามต่อไปเมื่อแต่คิดล่วงหน้าคิดล่วงหน้านก็เลยไม่ได้เจออะไรสักอย่างเลยฉะนั้นผมแนะนําว่าวางลงก่อนถ้าจะนั่งพิจารณาเอาตอนคือตอนไหนก็นั่งพิจารณาได้แต่ขอให้มันสงบหน่อย ขอให้จิตตั้งบั่นขึ้นมาหน่อยถ้ามันจะมีการพิจารณาก็พิจารณาไปถ้าสายพระป่าหรืออะไรที่ท่านสอนกันมาเนี่ยท่านบอกเข้าไปถึงฌานที่สี่แล้วก็ถอนมาฌานที่หนึ่งพอเข้ามาถึงฌานเยอะถอนอวสึงฌานที่หนึ่งก็มาพิจารณากายผมกดเล็ดฟันหนังเอาละถ้าเราฟังท่านอย่างนี้จะทำได้ไหมก็ได้ก็ทำไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ฝึกให้ถึงฌานที่สี่ก่อน ก็เข้าไปสงบในฌานที่สี่พักนึงก่อนให้จิตใจสงบตั้งมั่นแล้วค่อยถอนออกมาสู่ฌานที่หนึ่งคือระดับฌานที่หนึ่งนี้เป็นระดับปกติที่จิตตั้งมั่นธรรมดาสามารถเอามาทํางานได้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงทั้งหมดระดับปฐมฌานก็เอามานั่งพิจารณาทมทีเนี้ยไม่มีอะไรวบแวบ อย่าไม่ใช่คิดฟุ้งซ่านพิจารณาก็ไปเลยแต่ตอนนี้ถ้าสงมบมก็ยังไม่สงบก็นั่งพิจารณามันก็ได้แต่เราคิดไปเรื่อยๆไนปะใช้ประสบการณ์เก่ามานั่งคิดอะทําให้มันสงบก่อนก็แล้วกันคําว่าเราตัวเราและตัวกูของกูต่างกันหรืไม่อย่างไรครับอคําว่าเรากับตัวกูของกู ที่เราได้ยินท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยคือคําว่าความรู้สึกของเราเป็นเราเนี่ยนะมันมีอยู่สองระดับนะสองระดับสองชั้นนะระดับที่หนึ่งเนี่ยคือความรู้สึกเป็นเราที่หยาบมากๆเลยในปุถุชนผู้ไม่ได้สดับมีเรามีเขาเนี่ยมีเรามีเขาเที่ผมบอกว่ามีคนทํา มีคนว่ามาปั๊บก็โกรธคืออันนี้เราแบบเซลล์จัดเลยก็คือคนในโลกเนี่ยแหละนะพูดไปก็คือคนในโลกทั่ ว, วไปเนี่ยแหละไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยทุกคนรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเกิดอะไรขึ้นเขาทิ้งเราทำไมเขาต้องทำกับเราแบบนี้เรานี่แหละไอเราที่ท่านถามเนี่ยคือเราที่พู้เจ้าใช้คำว่าส ก, กายทิฏฐิ คือความเห็นผิดในความเป็นตัวตนดังนั้นถ้าพูดคํานี้กับคนในโลกเนี่ยจะไม่มีใครรู้เรื่องเลยอะไรสักยะทิถิงว่าอะไรก็ใช่ก็ ท, ทําไมอ่ะก็ทุกคนก็แล้วไม่เป็นเราแล้วเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็จะพูดกันอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านเข้ามาฟังทำแรกๆท่านก็รู้สึกอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือระดับเราที่หยาบที่สุดของพุทธศาสนาคือสักกายทิฐิคือคนทั่วไปทั้งเจ็ดพันหกร้อยล้านคนอ่ะพูดกันตรงๆเลย ตัวกูของกูของท่านุธทาสเนี่ยลวกคือควบตั้งแต่ระดับนี้ด้วยทีนี้พอถึงระดับหนึ่งที่ปฏิบัติชําระเข้าไปจนเห็นความจริงว่าอ้าวนี่มันเป็นรูปเป็นนามมันแค่เป็นขันหา้าเป็นอะไรกันเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเรียกว่าเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก็จึงละคดีมีคําว่าละสักกายทิฏฐินะละสักกายทิฏฐิ ละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนนั่นคือเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้กายนี้ใจนี้เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ความยึดถือยังไม่หมดไปเข้าใจนะอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้นั่งปวดขาเข้ามาถึงปฏิบัติปวดขาจังเลยฉันไม่ไหวละอันนี้สักกายะทิฏฐินึกออกอยังนึกออกแล้วนะ จนกระทั่งปฏิบัติไปจนเห็นแล้วมันกลินแค่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วระดับไปเกิดขึ้นแล้วระดับไปแล้วก็มีการเข้าไปยึดถือเกิดขึ้นแล้วระดับไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเข้าใจความจริงอย่างแจ่มแจ้งนะแจ่มแจ้งนะไม่มีความรู้สึกเป็นเป็นว่าเราปวดข่ายแล้วสะอาดสมมติว่าเกิดสภาพปวดเกิดขึ้นก็ เห็นมีความเข้าไปยึดถืออุปาทานยังมีนี่เป็นระดับพระโสดาบันขึ้นไปยังไม่ได้ปล่อยอุปาทานแต่ไม่มีความรู้สึกเป็นเราเหลือล่ะเห็นเท่าไหร่รู้เท่าไหร่ดูเท่าไหร่ก็ไม่มีความรู้สึกเป็นเราลึกนะลึกขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเราเห็นแต่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นแต่ยังมีความยึดถืออยู่ แต่พระโสดาบันสัจธารมมีพระอนาคามียังมีความยึดถือในอุปาตยังมีอุปาทานขันทั้งหมดยกเว้นพระราหันอย่างเดียวนี่คือละความเห็นผิดในความเป็นตัวตนและทําอะไรยังไงมาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเรา แ, แต่เพราะความยึดถือที่ยังมีอยู่และปล่อยวางไม่ได้ยังนํามาซึ่งทุกข์อยู่แต่ในระดับพระโสดาบันขึ้นไปผู้เจ้าบอกว่าระดับ ความยึดถือระดับนี้ซึ่งเทียบกับสักการะทิฏฐิแล้วเนี่ยทุกท่านเคยอุปมาให้กับภิกษุฟังว่าท่านช้อนอา น, นิ้วก้อยช้อนขี้ฝุ่นแล้วก็ติดประทิดปลายเล็บพระองค์ก็ถามว่าขี้ฝุ่นติดไปลายเล็บจะถาครเทียบกับมหาปฏตพีนี่อันไหนมากกว่ากันภิกษุก็ตอบว่าโอ้โหเทียบกันไม่ได้พระเจ้าค่ะอืมขี้ฝุ่นทั้งโลกทั้งทั้งโลกเนี่ยมหาปฏตพีเนี่ย ก็คือความทุกข์ของปุถุชนผู้ไม่ได้สด็บที่มีความรู้สึกเป็นเราเนะนี่ยนัก็เราต้อกัของเราทุกอย่างเป็นทุกหมดทุกทุกเรื่องในพระโสดาบันความทุกข์จะเหลือแค่ขี้ฝุ่นที่ติดไปแลบตถาคตเราจะเห็นแล้วว่าโอ้โหขนาดยังเหลืออุปาทานขันนะถ้าเทียบกับสักกายะทิฏฐิแล้วเนี่ยเทียบไม่ได้แล้วนะพระโสดาบันความทุกข์เหลือแค่นี้เลย แล้วพระสักก า, าคามีละ่ะโอ้โหอาจจะเหลืออ่ะโทษนะอาจจะครึ่งนิ้วก้อยครับอีกแล้วนาคามีละ่ะครึ่งของครึ่งลงไปอีกถ้าจะนับเม็ดฝุ่นได้อะพระลหันก็ไม่ต้องพูดแล้ว <c oughs> เพราะไม่มีที่ตั้งแห่งทุกแล้วเอาละเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าระดับที่บอกที่ถามมาว่าเรา เราแบบจง้องเลยเนี่ยแบบคนในโลกเลยเราเนี่ยที่เขาเป็นกันอยู่ลื้โทษนะพวกเราอาจจะเป็นกันอยู่เนี่ยทุกทุกเรื่องทุกทุกเรื่องแล้วก็สุขบางเรื่องแล้วแต่อย่าทุกเรื่องเลยเพราะคงไม่ได้สุขทุกเรื่องเลยแต่ทุกอะทุกเรื่องแล้วก็หาสุขมากลบเวลามีทุกก็หาสุขมากลบ แล้วก็บอกฉันสุขดีฉันไม่เห็นทุกข์อะไรเลยไม่เห็นต้องมาปฏิบัติเอาเถอะนะเอาที่สบายใจอนะอยังไงก็ได้เนี่ยคือเราที่ท่านถามส่วนตัวกูของกูในระดับพระโสดาบันก็ยังมีตัวกูของกูในในคําของท่านพุทธทาสเนี่ยเพราะจะไปหมดกันที่พาระอรหันต์พระเจ้าเขาใช้คําว่าเมตังมะมะเมโสมาสมินละเมโสอัตตาเนี่ย นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อถึงคํานี้เมื่อไหร่จิตจะสลัดคืนสู่ธรรมชาติเลยแล้วคําที่ตามมาก็คือชาติสิ้นแล้วพรมอาจรรย์อยู่จบแล้วจิตที่ต้องทําได้ทําเสร็จแล้วจิตอื่นที่ต้องทําด้วยความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกเพราะฉะนั้นวินาทีหรือว่าช่วงก่อนที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานจริงๆจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งเลยไม่ว่าคือ พูดจริงๆก็คือเน้นกลับไปที่ตัวจิตนะเมื่อจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตเองก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้แล้วเข้าไปยึดถือจนเห็นจิตไม่ใช่เราและ่ะจิตว่างจากตัวตนเมื่อจิตว่างจากตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะก็ว่างจากตัวตนกันหมดแล้วท่านอะตกลงจิต เราาจิตมโนวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันไหยแล้วจิตจะไปยึดวิญญาณยังไงมันเป็นตัวมันเองอลยเพมันยึดตัวมันเองอนี่ก็มันยึด ต, ตัวมันเองนั่นแจิตมโนวิญญาณน่ะมันก็คือฐานเดียวกันนั่ะมันอยู่ที่มันจะทําหน้าที่อะไรแค่นั้นเองเมื่อไหร่จิตดับก็วิญญาณดับวิญญาณดับก็จิตดับ ตั้งจิตให้ถูกตั้งอย่างไรจดจ่อที่ไหนค่ะการตั้งจิตให้ถูกคือภาษาเนี่ยการตั้งจิตให้ถูกคือการมีสัมมาทิฏฐนะิการมีสัมมาทิฏฐิหมายถึงว่าไม่ไปทําสมุทัยขึ้นมาอย่างที่ผมยกตัวอย่างคืออย่างท่านนั่งสมาธิเนี่ยเกิดความสงบขึ้นมาสัก บ, บลังหนึ่งอีกบันลังนึงไม่สงบก็โอ๊ยทําไมมันไม่สงบถ้าอย่างงี้ตั้งจิตไว้ผิด แทนที่จะเห็นว่ามันไม่แค่ของเกิดดับแต่ละาบาลังแต่บาลังก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแค่นั้นเองบรลังนี้จบไปก็จบไปจบไปจบไปจบไปจบไปบาลังนี้จะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นกับเหตุปัจจัยที่กําลังอยู่ตรงนั้นตรงนั้นหรือว่าที่ผ่านมาเป็นเหตุปัจจัยกันมนาะก็แค่นั้นเองนนัไม่ได้แปลว่าครั้งนี้ดีครั้งหน้าจะต้องดีมันก็เลยกลายเป็นนิสัย พออยู่ในโลกมาอย่างนี้แล้วทํำไมต้องเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันอะเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเมื่อเข้าใจธรรมชาติก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ไม่มีอะไรจะจะเกิดอะไรนั้นเห็นความจริงอะมันไม่ต้องจะกลายเป็นนั่งฟังธรรมก็นั่งฟังธรรมแต่พอไปสงสัยปฏิบัติก็กลายเป็นอีกตอนหนึ่งขึ้นมาไม่สามารถดึงธรรมนั้นเอามาใช้ร่วมกันได้เลยนะมันจะกลายเป็นที่ ผมกำลังรู้สึกว่าผมพูดมาตลอดสามสี่วันแต่กลับกลายเป็นมันไม่เข้าไปสู่การนำไปสู่การปฏิบัติหรือสร้างความเข้าใจที่จะเป็นการล้างทิฏฐิเดิมๆได้เลยนะเนี่ยมันเหมือนกับการพูดไปแล้วท่านก็เข้าใจตอนนั้นแล้วท่านก็ทิ้งไปโอพูดดีจังเลยแต่ท่านไม่สามารถดึงไปแอปพลายแล้วก็กลับไปใช้ในการปฏิบัติหรือการใช้ชีวิตได้เลย คำถามก็กลับมาซ้ำซากเหมือนทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งทําไมมันถึงไม่ไม่ผสมกันแล้วก็เข้าไปสู่การปฏิบัติแล้วก็กลับมาอธิบายอีกเหมือนกับเปิดคอร์สใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าให้เขียนคําถามก็คงมาอีกแล้วก็เหมือนกับเปิดครอร์สใ ห, ห, มมหม่ อ, ก อ, มอีกรอบหนึง่งของที่พูดไปแล้วก็กลับมาพูดซ้ําอีกซ้ําอีกซ้ําอีกทำไมมันถึงไม่ไม่เข้าไปสู่การปฏิบัติจนกระทั่งจริงๆทุกคําถามเนี่ย มันมีคำตอบอยู่ในตัวมันเองถ้าปฏิบัตินะทุกคําถามที่ถามมาเนะี่ยคำตอบอยู่ที่ตัวมันเองในปฏิจจสมุปบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณขอทราบว่าสังขารทั้งหลายกรณีนี้เป็นสังขารในขันห้าหรือไม่คะสังขารตัวนั้น กับสังขารในขันห้าเนี่ยชื่อเดียวกันแต่โดยความหมายและคนละคำกันคือคำว่าสังขารเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้อย่าไปมองว่ามันชื่อสังขารคำว่าสังขารเนี่ยในภาษาบาลีเนี่ยความหมายคือการปรุงแต่งนะ คือเมื่อมีการปรุงแต่งของอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ถูกเรียกว่าสังขารเขาไม่ได้ชื่อสังขารทีนี้การปรุงแต่งสังขารตัวที่สองในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งด้วยความเพราะมีความไม่รู้จึงไปปรุงขึ้นมาว่าคำพูดเป็นของเรากายนี้เป็นของเรา มโนสัญญาเจตนาที่คิดออกไปเนี่ยเป็นของเราเป็นตัวเราขึ้นมาแต่ส่วนสังขารในขันห้าเนี่ยเป็นนามรูปที่ถูกก่อขึ้นมาเป็นตัวเป็นเริ่มเป็นคนขึ้นมาเป็นเป็นร่างกายจิตใจขึ้นมาส่วนอันนั้นเนี่ยมันเป็นเริ่มต้นเป็นเชื้อมาจากอวิชาก่อนแล้วพอมาก่อจิตที่เป็นธรรมชาติเข้าไปหลง หลงแปลสภาพตัวเองเริ่มบิดเปลี่ยนรูปเข้าไปสู่วิญญาณธาตุจิตธาตุเนี่ยมันเริ่มแปลรูปเปลี่ยนเป็นวิญญาณจากของธรรมชาติที่ละเอียดเข้าไปสู่ของหยาบที่กลายมาเป็นวิญญาณขึ้นมาเพราะมีสภาพความการยึดถือของสังขาร น, นี่แหละมันจึงทำให้จิตเนี่ยเปลี่ยนสภาพขึ้นมาเป็นวิญญาณ ความหยาบเนี่ยมันกลายมาเป็นวิญญาณจากวิญญาณที่เป็นความหยาบเนี่ยจึงได้พัฒนาแล้วก็ก่อนามรูปนี้ขึ้นมาทีนี้ถอยหลังยากแล้วจากนั้นมันก็เริ่มกระบวนการบุญต่อเลยก่อเป็นตาหูจมูกลิ้นกายต่อกันมาเรื่อยๆจนเกิดการกระทบกับภายนอกได้ปังปังปัง โดยการกระทบเกิดการสร้างพบเกิดความรู้สึกเป็นเราเข้าไปยึดถือทีนี้วงจรเริ่มหมุนติ้วเลยจากวันนู้นถึงวันนี้เนี่ยท่านถอยหลังกลับไม่ได้ล้วแล้วมันจะต้องหมุนไปไม่มีที่จบไม่มีที่จบนะจนกว่าจะปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงความจริงลืมตาโพ่งขึ้นมาแล้วก็หลุดออกไปพระเจ้าถึงได้ ก็ต้องยอมรับแม้แต่พระองค์ก็ยังบอกว่าผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักก็จะทำยังไงล่ะก็พระองค์ก็บอกสถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกทางสาวกทั้งหลายก็ทำได้แค่เนี้ยทีนี้ที่เหลือก็ก็ต้องเต็มที่แล้วจะใครก็ไม่รู้สัตว์โลกก็มีอยู่มากมายส่วนกลนไปหมด เอาละในปฏิจจคือคงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเผอิญคอร์สนี้เราก็ไม่ได้ลงลึกแล้วคอร์สของยุคพูดเนี่ยคงไม่พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทมากนะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถควบคุมคนเข้าคอร์สได้ผมพูดตรงตรงเลยคอร์สมีทั้งคนใหม่คนเก่าสลับกันในทุกคอร์สเพราะฉะนั้นที่เราจะบอกว่าคอร์สนี้เราจะปัญยายเฉพาะปฏิจจสมุปบาทเราทําไม่ได้เพราะคนที่เข้ามาใหม่ ก็ยังไม่รู้พื้นฐานเลยยังถามพื้นฐานกันอยู่เลยนะจะไปปฏิจจสมุทรถก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาที่เปิดที่อื่นอย่างเช่นสวนยินดีทะเลที่บอกว่าพอสปฏิจจสมุบาถเลยนะใครที่คิดว่าปฏิบัติแล้วเออสนใจจะศึกษาเรื่องนี้อยากจะฟังทำชั้นที่ไม่มีตัวตนแล้วนะเพราะในวงจรปฏิจจสมทนะุทรถว่างจากตัวตนหมดไม่มีเรื่องของตัว ต, วตนบุคคลเราเขาในการปฏิบัติจริงๆก็คือระดับพระโสดาบันขึ้นไป แต่ก็ไม่ได้ถึงกับคนสมัครโอ้โหไม่ถึงก็แย่ดีอาจารย์ไม่มีเราไม่มีใครมาถามคุณหรอกนะก่อนสมัครต้องเป็นพระโสดาบาลก่อนเพราะฉะนั้นก็ท่านนั้นก็อย่าสมัครเลยถ้าพรโสดาบาลก็ไม่สมัครอยู่แล้ว่ะนะฉันก็ไม่รู้ฉันเป็นอะไรที่บ้านนะเต่ท่านก็อันนั้นก็หมายถึงว่าศึกษากันมาเยอะแล้วไม่ไม่ไม่ต้องมานั่งสอนพื้นฐานหรือว่าบอกพื้นฐานก็อย่างนั้นสนใจก็ไปเอาแค่สนใจศึกษาก็พอนะไม่ต้องถึงกับอะไรหรอก ก็เลยก็เล็กๆน้อยๆ น, นะอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ไม่ได้ถึงกับอะไรก็มีปีหน้าอาจจะเป็นปีหน้าปีนี้แะ้วคอสปฏิจจสมุทบาทก็มีอยู่สองคอก็มีคนสมัครจะเต็มแล้วมีสองคำถามค่ะขอทราบความหมายของคําว่าอับพยาปัจชทานด้วยค่ะ<ม>อับพยาปัจชทาน ไม่ทราบจริงๆไม่รู้ว่าถ้าอย่างนั้นเอางี้นะผมไม่ได้จะควนอะไรนะผมว่า Google อ่ะจริงๆถ้าผมอะไรสงสัยศัพท์อะไรบาลีแบบที่ผมไม่เข้าใจจริงๆผมก็กด Google เอานะเพราะถ้าท่านถามผมจริงๆเขาจะเอาให้ได้นะผมก็ต้องขอเวลากดเหมือนกันนะเพราะผมไม่รู้ว่าท่านกําลังพูดถึงศัพท์ตัวไหนผมไม่รู้จริงถ้าเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรที่เป็นพื้นฐานมาจะการปฏิบัตินี่ปัญหาครับแต่ถ้าถามศัพท์ผม ส่วนใหญ่ผ ม, มจะตอบตรงๆเลยนะผมจบปัญญาโทจากอเมริกาผมไม่ได้เรียนบาลีเลยผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่รู้เรื่องให้ผมอ่านจากในเนี้ยผมอ่านได้แต่ถ้าถามศัพท์เนี่ยผมก็รู้ไม่ออกแล้วถ้าถามศัพท์ภาษาอังกฤษผมก็จําไม่ได้ด้วยกลาเรียนอาจารย์ที่เคารพขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้ค่ะข้อหนึ่ง กายนี้ไม่ใช่ของเราและและของเธอทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกได้และรู้สึกต่ออารมณ์ได้ขอเรียนถามอาจารย์ว่ากายในที่นี้หมายถึงกายและใจใช่ไหมคะเพราะมีความรู้สึกด้วยทั้งห้าบรรทัดเนี่ยคือกายกับใจแต่พระเจ้าแยกก็คือภิกษุทั้งหลาย กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนะอันนี้ท่านมุ่งเน้นไปที่กายและไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นนั่นคื อ, อก็ต้องอย่าลืมว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีความเชื่อว่าพรมลิขิตบ้างพรมบันดาลบ้างพระเจ้าสร้างกายนี้ขึ้นมาบ้างท่านก็ถึงย้ำต่อไปว่าหรือว่าแม้แต่เราเองนั่งฟังากายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วของใครนะเราก็คิดขึ้นมาเหมือนกันนะ ของใครท่านก็ตอบต่อไปให้เลยโดยไม่ต้องยังไม่ทันถามเลยทั้งไม่ใช่ของใครนะไม่ใช่ของเธอแล้วก็ไม่ใช่ของใครคือบุคคลเหล่าอื่นก็คือไม่ใช่ของใครด้วยมันก็สะกดคำถามของเราที่อยู่ในใจหยุดไปเหมือนกันทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นภิกษูทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัต ใจปรุงแต่งขึ้นเอาล่ะเป็นสิ่งที่ปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นบรรทัดที่สี่นี่แหละเริ่มเข้ามาถึงใจนะแต่สามบรรทัดแรกเนี่ยกายล้วนๆในบรรทัดที่สี่เนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกอะไรปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกเมื่อกี้เราได้เห็นล้วแก้วนี้ร้อนจับปั๊บมีเซ็นเซอร์ปืดป๊ดปดความรู้สึกเกิดได้ยังเกิดแล้วนี่ไงความรู้สึก มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นโอ้ยฉันทุกข์จังเลยฉันปวดจังเลยมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ปรุงขึ้นมาจนเป็นความรู้สึกเกิดเป็นอารมณ์เลยมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้พระเจ้าตรัสทุกอย่างไม่มีพลาดแม้แต่จุดเดียวสาวกทําไม่ได้สาวกทําอยังไนก็ทําไม่ได้ที่จะปิดช่องว่าง ห้าบรรทัดนี้จนครบหมดทุกไม่มีช่องเปิดเลยถ้าสาวกนะับพูดทางนี้กระปุกทางนู้นก็โหวเพาปิดทางนี้ทางนี้โวยแต่พระองค์ในห้าบรรทัดทัว่วจบเลยผมถึงบอกนะลองไล่ดูใหม่นะ5้าบรรทัดนี้นะถ้า ที่ท่านถามมานะนิกายนะชัดๆนิกาย ป, ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็อ่ะดินน้ําไฟลมเป็นสิ่งที่ปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกอันนี้ชัดเจนล้วขึ้นมาเป็นความรู้สึกคือใจละนะหรือจะบอกจิตก็ได้แล้วก็ตรงนี้ ว, ญญญวิญญาณก็ตั้งอาศัยล้ววิญญาณเข้ตั้งอาศัย่ะถ้าเอาตรงนี้ออก เอาบรรทัดนี้ออกมี Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes. Talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots. กายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายถูกผมติ๊กถูกกรรมเก่าคือกายนี้ข้ามได้เลยไม่เกี่ยวมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นใช่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้ น, ม, จจนมีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นถูกโซเฟียเสียงกระทบหูมีการประมวลผลแปลค่าตอบได้ บรรทัดสุดท้ายมีปัจจัยอ่ะเดี๋ยวมีปัจจัยทาให้เกิดความรู้สึกขึ้นมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้มีไหมไม่มีพู้เจ้าตัดอะไรไม่มีพลาดถ้าสาวกตอบไปแค่สีบ่บรรทัดนะผมเอาอีนยันได้เลยแล้วนี่ยแล้วนี่ละ To serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications, the robots are designed to look very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel. everyone knows, right? That Sophia, programmed before, can r e s o n like a human. Right now, Saudi Arabia bought a a d e a o t o n m e n t ซิติเซนซาอุดีอาราเบียซิติเนไปแล้วโซเฟียผมก็ยังจะถ้าเจอโซเฟียผมจะถามว่าตกลงยู่นับถึงศาสนาอะไรนะผมก็รู้ว่าโซเฟียคงเคยตอบมาปหลายร้อยหลา ย, ลายพันครั้งแล้วล่วนะต่อไปโซเฟียก็คงจะผมฮียนะาวนะผมเดาเอาเองนะแต่เขาก็ไปทำหน้าที่ของเขาไปนะเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าก็จะมีอย่างนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด เอาละเราจะแค่เอาโซเฟียขึ้นมาเพื่อจะตอบห้าบรรทัดนั้นโซเฟียอ่าถ้ายกเว้นคําว่ากรคำเก่าออกโซเฟียก็ตอบคําถามได้หมดมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกไม่ว่าจะตาหูจมูกอตาหูตาหูแล้วกันเพราะจมูกคงไม่ได้ใช้ลิ้นนอกจากเขาจะผลิตขึ้นมาให้มันใช้ได้สำหรับทางานอื่นๆเราก็ไม่รู้แต่เขาทาได้หมด แต่คําว่ามีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ไม่มีโซเฟียอาจจะยิ้มอาจจะทําตัวน่ารักอาจจะทําสีหน้าเพราะโซเฟียชักสีหน้าได้ร้อยแปดพันเก้าทำตาปุ้งปิ๊งปุ่งปิ๊ ง, งสุดท้ายคนที่มีตัวตนคือมนุษย์ถูกไหมเมื่อโซเฟียทําหน้าอ่าสมมติว่าโซเฟียทําหน้าปิงปังปิงปังทําเป็นฉอเลาะอะไรเงี้ยท่านคิดว่าผู้ชายจะหลงไหมหลงอย่าอยากคิดว่าเขาเป็นหุ่นยนต์นะ แป๊บเดียวแค่นั้นเองผู้ชายจะลืมสภาพความเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าโดนความฉอเลาะแล้วก็ถึงตอนนั้นเนี่ยอนาคตตอนนี้ก็มีอยู่แล้วนะเขาได้สร้างหุ่นยนต์บางประเภทที่เอาไว้ตอบสนองบางอย่างเพราะฉะนั้นมันทําได้ยิ่งกว่าคนนะแต่มันไม่มีอ่ะสับทั่วทั่วไปของคนในโลกก็คือมันไม่มีหัวใจมันไม่มีหัวใจแต่พอถึงจุดนึงเนี่ย ความที่คนมีตัวตนอยู่แล้วแล้วจัดจ้านขึ้นทุกวันเนี่ยจึงไม่ได้ต้องการหัวใจของอะไรเพราะตัวเองมีตัวตนก็จะเห็นคนอื่นมีตัวตนอยู่แล้วเมื่อเรามีตัวตนเราจะเห็นสรรพสิ่งมีตัวตนท่านเคยเห็นคนที่เขารักรถกอดรถนอนกับรถอย่างมีความสุขแล้วไม่ใช่สุขแบบที่เราคิดว่าคนหนึ่งรักรถนะเขารักรถเหมือนภรรยาเขาเลยเขาเสพสุขกับรถอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะบอกเขาบ้าแล้ววันนี้คนกําลังเป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆกําลังเสพสุขกับตุ๊กตาตัวเองกําลังเสพสุขกับทุกอย่างที่เข้าไปเพราะว่าความเป็นตัวตนมันจัดจ้านขึ้นทุกวันจนกระทั่งมันมองไม่เห็นอีกแล้วมันสามารถเอาตุ๊กตาลูกเทพมาสามารถคุยกันได้ว่าเฮ้ยนี่เขาคุยกับเราจริงๆนะคือมันทาไมมันจะไม่ กูยก็มันเสียงมันดังอยู่ข้างในมันจะพูดอะไรก็ได้คนมีความรักอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้มันผิดปกติแบบนั้นก็ไลยคนมีความรักเนี่ยที่เขาบอกว่าขี่จักรยานผ่านบ้านแฟนเนี่ยแค่มองหลังคาบ้านก็มีความสุขท่านว่าจริงไหมจริงๆนะไม่ใช่ของเล่นนะแค่แค่ขี่จักรยานเห็นหลังคาบ้านเขาก็มีความสุขอันนี้เรื่องจริงนะผมจะบอกให้เพราะการปรุงแต่งเนี่ย มันปรุงแต่งอยู่ที่นี่มันขอแค่เครื่องระลึกสักอันนั้นเนี่ยมันมีความสุขมากถ้าแฟนท่านให้แหวนแต่งงานเป็นแหวนเพชรแหวนทองให้แหวนแต่งงานแล้ววันหนึ่งเขาไปมีคนอื่นวันที่ท่านหยิบแหวนแต่งงานหรือเปิดลิ้นชักเจอแหวนแต่งงานวงนี้เนี่ยท่านจะยังใส่อย่างมีความสุขหรือท่านจะขว้างมันผมถามแค่เนี่ยท่านอาจจะ เสียดายก็แค่เพชรที่ไม่คว้างนะแต่ว่าคือคือพร้อมจ ะ, ะต่อให้นมนุษนเป็นแหวนเหล็กดีกว่าจะได้คว้างให้แบบคือให้มันเต็มที่กันไปเลยคือแล้วท่านคว้างทำไมมันเป็นเหล็กมันไม่ใช่แฟนท่านเห็นหรือยังว่ามันเกิดการกระทบ แล้วก็ปรุงสิ่งนี้ขึ้นมาว่าเขาไงของเขาไงโดยเราไม่รู้ตัวไดยซ้ำเราไปเกลียดวัตถุก้อนหนึ่งเข้าใจไหมเราไปเกลียดวัตถุก้อนหนึ่งก็ได้อย่างไร้สาระที่สุดนี่คือหลงยึดถือถ้าผมพูดแค่นี้กลายเป็นโดนทุกคนแสดงว่าบ้าทุกคน ทุกคนโรคจิตถ้ามีมิจฉาทิถีโรคจิตทั้งหมดไม่ต้องห่วงโรคจิตทั้งหมดคือคว้างหินคว้างเหล็กคว้างอะไรก็ได้หมดโกรธเหล็กคว้างเหล็กอ่ะตอบคำถามคำถามที่สองค่ะ ในการดำเนินชีวิตของเราส่วนใหญ่จะใช้จิตไร้สำนึกใช้จิตสำนึกเพียงไม่ถึง 10% เซ <c oughs> การที่เราเข้ามาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะ <c oughs> กับ อ, อ, อิริยาบถย่อยต่างๆตอนเราฝึกแรกๆจะเหนื่อยช้าเพราะใช้จิตสำนึกซึ่งมีซึ่งใช้พลังงานมากแต่พอทำไปบ่อยๆจนคุ้นเคยจะรู้สึกสบายขึ้นขอกราบเรียนถามอาจารย์ว่าสติสัมปชัญญะเป็นจิตสานึกหรือจิตไร้สานึกคะ ก็ตอนที่จงใจทำก็ก็เป็นจิตสานึกนะ น, นะจนกระทั่งมันอยู่ตัวแล้วก็ไม่ได้จงใจทำอะไรมันก็กลายเป็นเข้ามาเข้ามาอยู่แทนที่ความคิดปรุงแต่งความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายก็เข้ามาอยู่แทนที่โดยที่ไม่ต้องประเจตนาอีกก็ตอนนี้ก็เข้าไปสู่จิตสานึกไอ้โทษจิตไร้สานึกก็คือทาไปโดยอัตโนมัติทำไปโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเนไม่ต้องมานั่งจงใจทำอีกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทุกอย่างนะ่ะท่านนึกไปถึงการขับรถก็ดีการหัดขี่จักรยานวันแรกๆ ก, ก็ดีวันแรกๆ ก, ก็เหนื่อยทุกอย่างขี่จักรยานก็โอ้โหเกงไปหมดขับรถก็โอ้โหทำไมไอนน้นู่นไอ้นี่มันต้องทําเยอะจังเลยถึงวันนี้ท่านเคยคิดจะต้องทําอะไรไม้มแค่รู้สึกว่าจะไปตลาดจะไปโรตัรขึ้นไปถึงสตาร์ทรถไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าเหยียบใบเกี่ทีมองอะไรไปกี่ครั้งไปถึงซื้อของเสร็จ ถึงบ้านแล้วนะมองข้ามนึกไม่ออกเลยว่าฉันจะมาจอดรถตรงนี้ได้ยังไงอะไรก็ยังไม่รู้เลยมันทํางานด้วยระบบออโต้พาวิลด์ไปเลยเนี่ยจิตไร้สํานึกเพราะฉะน่นฝึกไปถึงจุดหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะเข้ารูปแบบเดียวกันนะทีนี้วันนี้จิตไร้สํานึกเนี่ยมันมีการซึมซับข้อมูลทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบโดยไม่มีสปรีนนี่คือธรรมชาติของจิตไร้สํานึกของทุกๆคนอยู่แล้วไม่มีการสปรีน เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกใส่เข้าไปทาง Facebook ทางภาพที่เห็นทางเสียงที่ได้ยินทางวิธีคิดที่ถูกสั่งสอนมาเนี่ยมันก็จึงไหลเข้าไปในจิตไร้สำนึกทั้งหมดการตอบโต้ด้วยตัวตนมีกันทั้ง 7,600 ล้านคนเพราะมันซึมซับวิธีนี้จากพ่อแม่เพื่อนที่ทำงานบริษัทห้างร้านทุกอย่างในสังคมมันได้ซึมซับเข้าไปในทุกๆคนหมดแล้วังนั้นการจะออกจากสิ่งนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องง่ายล่ะเพราะมันจะต้องเริ่มกักไม่ให้ข้อมูลที่ผิดไหลเข้าแล้วก็หยุดแล้วเอาข้อมูลที่ถูกต้องไหลเข้าแทนจากนั้นบาปอากุศลต้องหยุดทําแล้วให้ข้อมูลที่เป็นกุศลไหลเข้าแทนจนกระทั่งค่อยๆล้างข้อมูลที่เป็นอกุศลมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้นใช้สติปัญญาเข้าไปจัดการจนกระทั่งรู้แจ้งขึ้นมานี่คือกระบวนการของอริยมรรคในองค์แปดจากอธิบายในส่วนของจิตไร้สำนึกก็ได้ผมถึงบอกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะสาสตร์ไหนขอให้เป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่มาจากความจริงก็แล้วกันสามารถอธิบายได้หมด สามารถอธิบายบอกได้เลยว่าเปลี่ยนคนธรรมดาเข้าสู่พระโสดาบันพระอรหันต์ได้ยังไงทางสายกลางฝรั่งเข้าใจได้ทุกอย่างผมถามว่าทำไมไม่หลุดพ้นเพราะเขาไม่มีกระบวนการหนึ่งคือการละกิเลสไม่มีเลยใช้ความเข้าใจล้วนๆเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเข้ามาดูเข้ามารู้เข้ามาปฏิบัติแบบนี้ด้วยการดูดูรู้รู้ร ไม่ต่างจากฝรั่งถ้าไม่มีการลักกิเลสเลยสองการดูการสร้างความเข้าใจไม่เห็นไตรลักนะเพราะฉะนั้นฝรั่งไม่เคยสนใจเรื่องไตรลักษา์หัวธรรมดามันธรรมดาแบบมองข้ามมาดิมันไม่ธรรมดาแบบเห็นความจริงเป็นธรรมดานีนะ่เมื่อมันมองข้ามไตรลักทํายังไงก็ไม่บรรลุเพราะเมื่อไม่เห็นไตรลักจริงๆธรรมชาติของจิตอย่างหนึ่งจะไม่เกิดซึ่งเป็นหัวใจหลัก ที่จะเข้าถึงพระนิพพานคือวิราคะคือเบื่อหน่ายควยความยึดถือจะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดวิราคะจะไม่เกิดนิโรธเพราะไม่มีการปล่อยเพราะฉะนั้นยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งรู้สึกว่ากูรู้มากกูรู้แล้วกูเกิดปัญญาแต่ไม่มีการละอะไรเลยไม่มีการวางไม่มีการปล่อยเพราะฉะนั้นปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติเสียไปกี่พันกี่หมื่นชาติก็เสียไปป่ป เพราะไม่มีเส้นทางแห่งการละกิเลสเลยตอเบี้ยงเนี่ยถามว่าอะไรอะถามเรื่องสติสัมปชัญญะเป็นจิตสำเร็จอ๋ อ, อ, อโอเคตอบละคำถามสุดท้ายค่ะในข้อ น, นี้อาจารย์บอกว่ากรณีคนโดนรถชนแล้วจิตเกิดทุกขเวทนาถ้าตายไปอาจไม่จำเป็นต้องไปทุกขติภูมิก็ได้ แต่ที่เคยฟัง MP3 ที่อาจารย์บรรยายในคอจับมือเขียนกอไก่ที่บอกว่าถ้ามีโจรเอามี้มาปาดคอหรือมีรถสิบล้อพุ่งเข้ามาชนเราต้องทำใจให้สงบและปล่อยวางให้ได้ไม่อย่างนั้นจะไปทุกขติูมงเลยสับสนว่าถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้เราต้องทำอย่างไรต้องฝึ ก, กจิตสุดท้ายก่อนตายหรือไม่คือที่ผมให้นั่งสมาธิเนี่ยแล้วผมบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตสงบนะ อะไรจะเกิดขึ้นจิตสงบก็นี่ก็กกำลังฝึกอยู่แล้วนี่ไงปวดขาจิตสงบอันนี้ไม่ได้ฝึกเหรอแต่ผมไม่ผมแทรกเข้าไปเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมแยกแต่ตอนนี้ผมรวมกันเข้าไปเลยก็คือปวดขาก็จิตสงบทำไมต้องไปทุกข์กับการปวดขาทำไมต้องไปทุกข์กับการปวดขาเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนท่านเกิดอุบัติเหต มันจะเกิดอะไรจิตก็สงบก็เท่านั้นแหละจิตก็สงบส่วนที่ผมยกตัวอย่างว่ามีคนกระโดดลงไปช่วยเด็กจมน้ำนั่นนะี่ยขณะที่คนกําลังกระโดดการตัดสินใจจัดฝั่งเพื่อจะพุ่งลงไปช่วยคนเนี่ยขณะนั้นนะ่ะจิตของเขาทาด้วยความมุ่งมั่นอยู่แล้วเข้าใจไหมมันมุ่งมั่นที่จะช่วยคนให้สําเร็จมันกระโดดลงไปแล้วมันช่วยขณะที่กําลังมุ่งมั่นที่จะช่วยคนเนี่ยตอนนั้นเนี่ย มันไม่สนใจอย่างอื่นเลยมันมีจิตตะนะจิตตะวิมังสานะ่ะจิตตะเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตอยู่แล้วที่จะมุ่งมั่นช่วยเมื่อช่วยสําเร็จแม้แต่เขาตัวตายเนี่ยขนาดนั้นจิตตะยังอยู่นะแล้วก็พรหมวิหารก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอันนั้นอันนั้นกรณีนั้นก็ก็กรณีนั้นที่ผมชี้แจงให้ฟัง แต่ถ้าท่านปฏิบัติไปก็เนี่ยก็ปฏิบัติไปตามที่บอกเอก็ปฏิบัติไปทีไม่เห็นจะต้องสับสนอะไรจะอะไรจะเกิดขึ้นก็จิตสมงบไปเห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งเกิดปัญญาเรื่องมีแค่นี้เองนะะอหมดแล้วนะก็พอดีนะชั่วโมงหนึ่งพอดีเย็นนี้ก็ค่อยฟังมธรรมกันต่ อ, อเชิญก็ไปปฏิบัติแล้ปฏิบัติให้มันถูกต้องะ ผมถึงบอกว่าคนปฏิบัติสิบปีที่แล้วเยผมพูดไปให้เหนื่อยยังไงก็ตามท่านก็ทำแบบเดิมทำอยู่เหมือนเดิมก็ไม่เห็นจะอะไรเลยมา น, นั่งฟังทำก็เข้าใจเข้าใจรอเข้าใจไปงั้นนะอ่าเฉ